สศักิ์ศรีพ่อเจ้าเรือนแม่เจ้าเรือนท่านคิดไหมว่าท่อนซุงที่ทิ้งอยู่ในป่าซึ่งหาความสำคัญอันใดไม่ได้เลยนอกจากเป็นที่ปีนป่ายขึ้นนั่งเล่นของพวกเด็กเลี้ยงควายนั้นมันอาจกลายเป็นที่ก้มเสียงลงกราบไหว้ขององค์ราชาผู้เกรงไกลก็ได้หากท่อนซุงนั้นได้ถูกนายช่างนำมาแกะสลักเป็นองค์พระพุทธปฏิมาท่านคิดไหมว่า พื้นที่ว่างร้างรกด้วยพงหญ้าเป็นที่ถ่ายเทสิ่งโสโรครกของชาวเมืองมีแต่ฝูงมแมลงวันและแร้งกาตอมหึงไม่ขาดวันอาจกลายเป็นท้องพระรานหลวงที่วางพวงมาลาอันประดิษฐ์ด้วยฝีมือชั้นเลิศของบรรดาทูตานุทูตและบุคคลผู้สูงศักดิ์ก็ได้ถ้าพื้นที่แห่ง น, นั้นได้รับการ แถวทางและตกแต่งให้เป็นที่ตั้งอนุสวรีของบุคคลสำคัญที่มหาชนคารพ บ, บูชาแน่แล้วไม่ว่าในวัตถุในสถานที่ถ้ามีการปรับปรุงให้ดีแล้วความสำคัญย่อมจะเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์และด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันนี้ศักดิ์ศรีย่อมอาจมีขึ้นในบุคคลในคณะและในครอบครัวอย่างไม่มีปัญหาแผนเสริมสร้างเรือนชั้นนอก ข้าพเจ้าได้เสนอไว้สามหลักคือหลักความสุขศักดิ์ศรีและผู้สืบวง์ตระกูลหลักแรกได้บรรยายมาแล้วอย่างยืดยาวบัดนี้มาถึงหลักที่สองคือปัญหาเรื่องศักดิ์ศรีสำหรับครอบครัวข้าพเจ้ารู้สึกว่าหลักนี้เราไม่สู้มีเรื่องอะไรที่จะต้องพูดกันมากนักเพียงแต่ชี้ให้ท่านผู้อ่านทราบว่าอะไรเป็นอะไรก็เห็นจะพอ เพราะเหตุผลในทางปฏิบัติอย่างละเอียดข้าพเจ้าเขียนไว้เกือบหมดแล้วตั้งแต่ต้นเล่มจนถึงจบเรื่องความสุขพอถึงหลักนี้ธุระก็เหลือน้อยลงเหมือนกับว่าข้าพเจ้าปรุงอาหารใส่สำรับไว้พร้อมแล้วเพียงแต่ชี้บอกว่าชามนี้เป็นน้ำจิ้มสำหรับอันนั้นและสิ่งนั้นให้ทานควบกับอันโ น, น้นเสร็จแล้วท่านก็ทำธุระไปเองได้จะพูดเรื่องศักดิ์ศรี ข้าพเจ้าขอเสนอประเด็นที่จะพูดไว้สองประการคือ 1. เรื่องศักดิ์สิและสองวิธีปฏิบัติศักดิ์สิคืออะไรศักดิ์สิหมายถึงอะไรเป็นคำถามที่ตอบยากจะตอบอย่างไรให้มันกระทัดรัดและได้ความสมบูรณ์ยังนึกหาคำตอบไม่ได้ที่จริงเราพูดกันอยู่เสมอเช่นหัวหน้ามูคณะตักเตือนลูกหมูว่าทุกคนจะต้องรักษาศักดิ์สิของพวกเรา หรือบางทีก็ว่าแกมันไม่มีศักดิ์ศรีของตนเองเสียเลยดังนี้เป็นต้นแต่ว่าศักดิ์ศรีหมายถึงอะไรกันแน่โปรดสะกดใจนึกถึงความหมายของคำเหล่านี้คือคำว่าเกียรติเกียรติยศเกียรติศักดิ์เสียริมงคลและอ o นเนอร์ในภาษาอังกฤษคำเหล่านี้แต่ละคำเราใช้กันมากแต่จนป่านนี้ก็ยังหาคำจำกัดความให้เหมาะๆไม่ได้ ที่มีใช้กันก็เป็นคำอธิบายคือพูดดักหน้าดักหลังให้คนฟังคนอ่านนึกรู้เอาเองแต่ถ้าตัดปัญหาของชาวบ้านออกเสียพูดเจาะเข้าหาที่หมายในใจของข้าพเจ้าเองก็จะไม่ยากนักเอาอย่างนี้เลยดีกว่าสักศีของครอบครัวที่ข้าพเจ้าหมายถึงนี้หมายถึงความดีของครอบครัวนั่นเองท่านผู้อ่านคงจะเคยสังเกตได้แล้วว่า ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีศักดิ์ศรีต่างกันบางครอบครัวมีอะไรอะไรเป็นที่ยำเกรงของเพื่อนบ้านคือคนอื่นเกรงอกเกรงใจแต่บางครอบครัวหาคนเกรงใจสักนิดก็ไม่มีใครก็พากันมองข้ามพากันลบหลู่ดูหมินนั่นเป็นเพราะขาดศักดิ์ศรีซึ่งข้าพเจ้าหมายถึงในเรื่องนี้และกำลังพูดกันอยู่เวลานี้ลักษณะที่แท้จริงของศักดิ์ศรีนั้นคือความดีอันมีอยู่ในครอบครัวนั้น ซึ่งเกิดเป็นสัญลักษ์ประจักษ์แก่คนอื่นบางทีเราก็พูดติดต่อกันว่าสัญลักษ์ศักดิ์ศรีซึ่งหมายถึงความดีเด่นที่ประจักษ์แก่คนทั้งหลายโปรดนึกถึงความดีเด่นอันเป็นศักดิ์ศรีของคนแต่ละคนเสียก่อนคนเราแต่ละคนก็มีศักดิ์ศรีประจำตัวเป็นที่รู้กันโดยศักดิ์ศรีนั้นแสดงออกมาในรูปต่างๆเช่นเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนรักลูกรักเมีย เป็นคนสุภาพเรียบร้อยเป็นคนรักการศึกษาเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนเอางานเอาการเป็นคนอยู่ในศีลธรรมและอื่นๆนี่เป็นตัวอย่างสั ญ, ญลักษณ์ของคนซึ่งเป็นศักดิ์ศรีประจำตัวท่านผู้ใด ย, ยังไม่เคยสังเกตปรดสังเกตดูศักดิ์ศรีของครอบครัวก็คล้ายๆกับศักดิ์ศรีของคนแต่ละคนคือเป็นความดีเด่นที่ปรากฏชัดออกมาในลักษณะต่างๆอาทิเช่น มีความพรองดองกันดีมีความอบอ้อมอารีดีมีความเรียบร้อยดีมีการศึกษาก้าวหน้าดีมีการทำบุญสุนทานดีมีการช่วยตัวเองและเพื่อนบ้านดีมีการขยันขันแข็งทำมาหากินหมายความว่าเป็นครอบครัวที่มีความดีเด่นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ศักดิ์ศรีมีแล้วดีอย่างไรเอาไว้พูดกันทีหลังตอนนี้พูดกันเฉพาะความหมายคำว่าศักดิ์ศรีเสียก่อน เท่าที่พูดนี้ท่านผู้ใด ย, ยังนึกไม่ออกว่าศักดิ์ศรีคืออะไรลองนึกถึงศักดิ์ศรีอีกอย่างที่เป็นคู่กันดูก็ได้คือคำว่าศักดิ์สิทธิ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์หมายถึงอำนาจที่ทำให้บังเกิดผลได้จริงเด็ดขาดแน่นอนแสดงออกมาในรูปต่างๆมันกันแล้วแต่จะให้บังเกิดผลเด็ดขาดทางไหนเช่นในทางให้ลาบในทางให้ชัยชนะในทางให้ความปลอดภัยในทางแคล้วคลาด ในทางมหานิยมและอื่นๆของที่ให้บังเกิดผลเด็ดขาดในทางไหนก็เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ในทางนั้นแต่รวมความแล้วก็เรียกว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันทั้งนั้นคำว่าศักดิ์สิทธิ์เราใช้สำหรับวัตถุสิ่งของที่มีความขลังมีฤทธิ์อยู่ในตัวเช่นพระเครื่องพระใหญ่สารเทพรักและบางทีก็ใช้กับยุกยาสาหรับแก้โรคความศักดิ์สิทธิ์เช่นนั้น ถ้ามีอยู่ในตัวคนหรือในครอบครัวเราเรียกว่าศักดิ์ศรีศักดิ์สิทธิ์นั้นแปลว่าอำนาจเด็ดขาดแต่คําว่าศักดิ์ศรีนั้นแปลว่าอำนาจเสิริมงคลที่ข้าพเจ้าเสนอว่าให้สร้างศักดิ์ศรีในครอบครัวพูดอีกทีก็ให้สร้างอำนาจเสิริมมงคลขึ้นไว้นั่นเองความหมายของคําว่าศักดิ์ศรีพูดเท่านี้ก็เห็นจะพอคําอย่างนี้พูดมากไม่ดียิ่งมากยิ่งบวมเลยพานจะไม่รู้เรื่องเอาเลย ทั้งคนเขียนทั้งคนอ่านข้าพเจ้ารู้ตัวเหมือนกันว่าข้อความที่ขยายคําว่าศักดิ์สิทเท่าที่ว่ามาแล้วนี้ทํำท่าจะไม่ได้เรื่องได้ราวเรื่องมันพาวนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละต้องขออภัยโปรดติดตามต่อไปอีกหน่อยบางทีจะแก้ความงงงงในสมองของท่านได้บ้างศักดิ์สิทประโยชน์อันใดเป็นของแน่หรือเกินศักดิ์สิทของครอบครัวเป็นปัจจัยอย่างสําคัญที่จะทําให้ครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้า และมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะความดีเด่นอันเป็นศักดิ์สินนั้นย่อมจะหนึ่งป้องกันภัยพิบัติในครอบครัว 2. เป็นมูลฐานแห่งความก้าวหน้าของครอบครัวและ 3. เป็นแรงดึงดูดสัพหมงคลมาสู่ครอบครัวประการแรกที่ว่าศักดิ์สิป้องกันภัยพิบัตินั้นคือป้องกันเหตุร้ายต่างอันจะเกิดขึ้นทั้งจากภายในทั้งจากภายนอกครอบครัวยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวที่นิยมความสุภาพเรียบร้อยเป็นศักดิ์ศรีคนทุกคนได้รับการอบรมสั่งสอนให้พูดจากันด้วยถ้อยคำสุภาพไม่พูดกักขระหยาบโลนความแตกร้าวภายในครอบครัวก็ไม่มีแม้จะมีขึ้นบ้างบางมือ้อบางคราวก็ถูกความสุภาพเรียบร้อยอันเป็นพื้นศักดิ์ศรีของครอบครัวกลืนเข้าไปเสียความร้ายมันขยายตัวไม่ได้เพราะพื้นเพเดิร ม, มันดีอยู่แล้ว เหมือนอากาศในโลกนี้มันมีความเงียบเป็นพื้นใครจะตีคองกรองสักกี่ร้อยครั้งเสียงอึกทึกนั้นก็จะถูกกลืนเข้าไปในอากาศหมดสิ้นจะดังอยู่ตลอดเวลาไม่ได้การที่ครอบครัวมีความดีเด่นเป็นศักดิ์ศรีอยู่ก็เหมือนกันเหตุร้ายต่างๆเช่นการทะเลาะวิวาทการแตกแยกการหย่าร้างตลอดจนการทำผิดคิดร้ายต่างๆเกิดขึ้นได้ยาก แม้จะเกิดขึ้นได้บ้างก็จะระงับดับไปในไม่ช้าที่สำคัญอีกอย่างคือภัยมาจากภายนอกภายในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงระบบความชั่วร้ายทั้งปวงเช่นความนิยมพูดจาสามหาวหยาบต่าความนิยมขัดต่อจารีตประเพณีอันดีของเราประเดี๋ยวนิยมนุ่งกางเกงทรงจิ้งเหลนประเดี๋วนิยมถีบจั ก, กรยานเสือมอบประเดี๋วนิยมแอคแบบคาวบอย อย่างที่เราเห็นเ็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละเรื่องเหล่านี้เป็นภัยทั้งนั้นนอกจากนี้ยังมีภัยอันเกิดจากความครหานินทาการสับสอยุยงการมุ่งร้ายการใส่ร้ายของคนภายนอกอีกด้วยสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นภัยแก่ครอบครัวทั้งนั้นเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงและความสงบสุขของครอบครัวโดยปกติแล้วระบบความนิยมอันเป็นภัยก็ดีพฤติการของคนภายนอกอันเป็นภัยก็ดี จะไหลบ่าท่วมทนและแทรกแซงเข้าไปในครอบครัวที่มีศักดิ์ศรีเป็นของตัวได้ยากแต่ถ้าบ้านใดครอบครัวใดขาดคุณลักษณะที่เป็นศักดิ์ศรีของตัวเองบรรดาสิ่งเลวร้ายทั้งปวงจะท่วมทนและงอกงามขึ้นในบ้านนั้นอย่างรวดเร็วก็อย่างว่านั่นแหละไอ้บ้านเรามันลุ่มแล้วไม่มีรั้วรอบขอบชิดฝนตกทีไรทั้งขี้หมูขี้หมามันไหลามาชุมนุมกันที่บ้านเราทุกที ครอบครัวที่ขาดศักษศรีเป็นของตัวก็เหมือนกันไม่ว่าเป็ดใครหายไก่ใครหายเขาก็พากันตั้งข้อสงสัยเอากับเราทุกทีการสร้างศักดิ์ศรีในครอบครัวจะบำบัดปัดเป่าภัยพิบัติเหล่านี้เสียประการที่2ศักดิ์ศรีเป็นมูลฐานในความก้าวหน้าของครอบครัวเรื่องความเจริญก้าวหน้านั้นเป็นที่พึงประสงค์ของทุกครอบครัวเราอยากมั่งมีเราอยากได้เกียรติ และอยากก้าวหน้าในทุกทางแต่ความเจริญก้าวหน้าทั้งหมดที่เราประสงค์นั้นมันต้องมีมูลฐานมีที่ตั้งมีที่รองรับมันจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้ท่านผู้อ่านโปรโดนึกถึงต้นไม้ผลและต้นไม้ดอกทั้งหลายต้นไม้ทุกชนิดต้องมีแผ่นดินเป็นที่รองรับไว้ไม่มีต้นไม้ชนิดใดเกิดลอยอยู่ในอากาศได้โดยลําพังต้นไม้จะงอกงามดอกใหญ่และผลดกเต็มที่ต้องได้พื้นดินที่เหมาะสมพร้อมน้ําพร้อมปุ๋ย คนได้พื้นดินดีๆไว้ในครอบครองจึงนับว่าเป็นคนโชคดีฉันใดก็ดีพาอบ้านแม่เรือนที่ได้ครอบครัวมีสั ญ, ญลักษณ์ศักดิ์ศรีก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อครอบครัวของเรามีศักดิ์ศรีเป็นของตนเองแล้วแม้จะตั้งหน้าหาความดีความเจริญในทางใดก็จะสำเร็จได้โดยง่ายเพราะพื้นเดิมมันดี <im itation> บางคนอยากจะสร้างครอบครัวให้เจริญก้าวหน้าเหมือนกัน แต่ดำเนินการผิดวิธีคือไม่ได้ปรับปรุงภายในครอบครัวของตนให้ดีพอมีแต่จะวิ่งเต้นหาดีจากภายนอกอย่างที่เราเคยเห็นคนบางคนปล่อยครอบครัวให้เละเทะไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวเลยมีแต่เรื่องเฮฮาสุรานารีวันแล้ววันเล่าสามีเป็นโต้โผวงสุราภรรยาเป็นโต้โผวงไั่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เมากับการชนไก่กัดปลา เสาอาทิตย์ผัวไปพูดไฮปาราคด่าว่ารัฐบาลเพื่อจะทำทางก้าวไปเป็นผู้แทน ร, ราษฎรในคราวเลือกตั้งนี่คือฝ่ายฝันแต่จะดีจากคนอื่นแต่ปล่อยครอบครัวให้เลอะเทอะไม่เป็นท่าชาวบ้านเขาดูถูกดูหมิ่นตลอดหัวบ้านท้ายบ้านผลที่สุดจะก้าวหน้าไปถึงไหนไปคิดปลูกต้นไม้บนอากาศมันจะงอกงามได้ดังหรือประการที่สม ศักดิ์สิญญ์นำมงคลมาสู่ครอบครัวบางทีข้าพเจ้าจะไปดึงเอาคำวัดมาใช้กับชาวบ้านมากไปหน่อยคือคำว่ามงคลจึงขอไขความสักนิดก่อนไม่เช่นนั้นจะเข้าใจผิดกันไปคนละทางมงคลในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงสิ่งต่างๆที่เป็นผลดีแก่ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนเป็นของหรือเรื่องราวก็ตามคือถ้าครอบครัวของเรามีแล้วดีรวมเรียกว่ามงคลยกตัวอย่างเช่น ผู้อุปการะมิตรดียศศักดิ์ดตําแหน่งช่องทางธรรมาหากินการเชื้อเชิญความไว้วางใจและสิ่งที่เป็นมงคลอื่นๆหมายความว่าถ้าเรามีดีแล้วดีรวมเรียกว่ามงคลทั้งสิน้นการครองเรือนนั้นไม่ใช่ว่ามีข้าวกินมีถิ่นที่อยู่แล้วจะเป็นการเพียงพอหาไม่ได้ความปลอดภัยของครอบครัวก็ดีจะต้องอิงอาศัยหลายสิ่งหลายอย่าง รวมทั้งสรรพมงคลที่ข้าพเจ้ากําลังพูดถึงอยู่นี้ด้วยทีนี้สิ่งที่เป็นมงคลในเมืองมนุษย์นั้นมันเป็นของที่เกิดจากมนุษย์คือคนด้วยกันเป็นผู้ทําให้ตรวจดูตัวอย่างง่ายๆจากสิ่งที่ข้าพเจ้ายกมาอ้างไว้นั้นเช่นผู้อุปการะก็ได้จากคนอื่นมิตรที่ดีก็คนยศศักดิ์ก็คนให้ทางธรรมาหากินก็คนร่วมด้วย การเชื้อเชิญก็คนเชิญหรือความไว้วางใจก็คนอะไรอะไรมันขึ้นอยู่กับคนทั้งนั้นแม้ว่าจะไหว้วอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆก็คงไม่พ้นคนเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทีนี้คนที่จะประสานกับเรานั้นมันมีอยู่สองพวกคือพวกคนดีมีมงคลกับคนไม่ดีมีแต่ความกาลีอปมงคลโลกนี้ก็มีคนอยู่สองจำพวกเท่านี้ คนที่มีมงคลเขาจะประสานกับใครก็ต่อเมื่อเขาเห็นว่าผู้นั้นเป็นคนมีมงคลมีศักดิ์ศรีพอที่จะเป็นที่รองรับมงคลไว้ได้หรือมีมงคลที่จะเผื่อแผ่แกเขาคนมีมงคลนั้นย่อมเป็นมิ่งขวัญของมู่มนุษย์อยู่แล้วคนทั้งหลายเขายกย่องเขาให้เกียรติยิ่งถ้าคนทั้งครอบครัวสามารถสร้างศักดิ์ศรีอันดีงามขึ้นได้สาเร็จก็ยิ่งเป็นการดี ศักดิ์ศรีของครอบครัวนั้นเป็นผลของการปฏิบัติร่วมกันระหว่างคนหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผัวกับเมียเรายังเหลืออยู่อีกประเด็นเดียวคือวิธีปฏิบัติทำอย่างไรครอบครัวจึงจะมีศักดิ์ศรีพอสมควรทำเพื่อศักดิ์ศรีแหล่งที่มาสำคัญของศักดิ์ศรีสำหรับครอบครัวก็คนในครอบครัวนั่นเองไม่ใช่บ้านไม่ใช่ที่ดิน ไม่ใช่ถุงเงินแต่สำคัญที่คนในบ้านถ้าคนในบ้านเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีความดีงามในตัวครอบครัวจะมีศักดิ์ศรีขึ้นไม่ได้บ้านหลังเมื่อมาก็จะมีค่าเพียงซ่องโจรเป็นห่นพนันเป็นแหล่งธุรกิจเป็นที่มั่วสมของเหล่าอันธพาลคนไม่ดีแล้วศักดิ์ศรีมีไม่ได้ข้อควรจำไว้อย่างยิ่งคือว่าถ้าคนไม่มีศีมีศักดิ์ สถานที่พำนักก็ไม่มีสัก์มีสีสวนดอกไม้ที่งามก็เพราะดอกไม้แต่ละดอกมันงามความงามของดอกไม้หลายดอกรวมกันเข้าก็กลายเป็นความเพลิดพริงของสวนเช่นเดียวกันศักดิ์ศรีของคนในเรือนแต่และคนรวมกันเข้าก็เป็นศักดิ์ศรีของครอบครัวฉะนั้นถ้าจะทำให้ครอบครัวมีศักดิ์ศรีก็ต้องหันมาปรับปรุงศักดิ์ศรีของเราเองการปรับปรุงตัวเพื่อให้เกิดศักดิ์ศรีนั้น ถ้าเป็นการสร้างศักดิ์ศรีเพื่อตัวคนเดียวก็ต่างคนต่างทาตัวใครตัวมันคนอื่นจะอย่างไรก็ช่างแต่ถ้าเป็นการสร้างศักดิ์ศรีสำหรับส่วนรวมก็ต้องทำร่วมกันหลายคนนี่ว่ามาแล้วโดยหลักนี้จะต้องสร้างครอบครัวให้มีศักดิ์ศรีคนทุกคนในครอบครัวจะต้องปรับปรุงตัวเองถ้าเป็นคนชั่วช้าแม้คนเดียวก็ลดศักดิ์ศรีครอบครัวลงแต่ถ้าคนอื่นน่ะ ไม่เท่าไรที่สำคัญที่สุดคือผัวกับเมียซึ่งเป็นหัวใจของครอบครัวถ้าผัวจะมีอยู่ไม่ได้ใครๆเขาก็ต้องพูดว่าลูกหลานคนขี้เหล้าลูกเต้าคนขี้ยาเพราะฉะนั้นพ่อบ้านกับแม่บ้านจะต้องยืนหลักไว้ให้ดีเพื่อความมีศักดิ์ศรีของครอบครัวพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกได้ทรงกำหนดหน้าที่ของสามีภรรยาไว้ดังนี้หน้าที่สามี สามีต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติต่อภรรยาของตนดังต่อไปนี้ 1. ยกย่องสองไม่ดูหมิ่นสไม่นอกใจ 4. ยกความเป็นใหญ่ให้และ 5. ให้ของแต่งตัวของทั้ง5ข้อนี้สามีต้องถือเป็นหน้าที่คือต้องทำเองโดยไม่ต้องรองให้ภรรยาขอร้องขอโทษเธอคุณผู้หญิงลองอ่านทบทวนดูสินี่หลักของพระพุทธเจ้า คุณชอบหรือไม่ถ้าชอบก็หมายความว่าพระพุทธองค์ทรงรู้จิตใจของสตรีเพศเป็นอย่างดีมันเป็นหลักกลางๆคือเป็นข้อที่ผู้หญิงทุกคนประสงค์ส่วนจะมีใครชอบอะไรเป็นพิเศษไปจากนี้นั่นเป็นเรื่องส่วนตัวเฉพาะตัวตรวจราบความหมายย่อๆดังนี้ข้อ 1. ยกย่องประการแรกที่สุดที่ กุลสตรีต้องการคือให้ผู้ชายที่เป็นสามียอมรับว่าตนเป็นภรรยาไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรก็ตามความรู้สึกต้องการอย่างนี้มีอยู่ในจิตใจของสตรีทุกคนผู้ชายบางคนที่ชอบทำเป็นเจ้าชู้ไปเที่ยวมีซุกไว้ที่โน่นบ้างที่นี่บ้างคิดว่าจะปิดมิดแต่แล้วปิดไม่อยู่เพราะในใจของกุลสตรีแต่และคนต่าง ก็ต้องการที่จะแสดงตัวว่าเป็นภรรยาในวงเล็บของชายที่เป็นสามีอยู่แล้ว<อ>เมื่อต่างฝ่ายก็ต้องการตรงกันผลที่สุดมันก็จะกันจนได้บางคนสับลีเก่งพอจะรอดตัวไปได้บ้างตอนแรกๆแต่ที่สุดก็ต้องพลาดวันหนึ่งจนได้เพราะความชลาใจ <c oughs> เคยเห็นแล้วด่วนเหนือกับด่วนใต้เกิดปะทะกันยับเยินหน้าที่ของสามีข้อแรกก็คือ ให้ความยกย่องแก่ภรรยาด้วยการจดทะเบียนแนะนําให้ญาติพี่น้องของตนรู้จักแนะนําให้เพื่อนฝูงรู้จักและพาไปงานสังคมอันมีเกียรติข้อสองไม่ดูหมิน่นหมายถึงการประพฤติดูหมิ่นเหยียดยามภรรยาของตนเช่นดูหมิ่นว่าโง่เง่าดูหมิ่นว่าขี้ริ้วขี้เรดูหมิ่นว่าเป็นลูกคนยากจนดังนี้เป็นต้น และไม่ว่าจะเป็นการพูดดูหมิ่นหรือแสดงกิริยามารยาทดูหมิ่นก็แล้วแต่มีเหมือนกันขอโทษผู้ชายบางคนเที่ยวค่อนขอดเหยียดหยามเมียตัวเองมันไม่ดีอย่างนั้นมันเลวอย่างนี้บางทีก็ข่มขู่ทาเสมือนว่าเมียเป็นท่าทาสีความจริงผู้ชายน่าจะคิดว่าถึงเขาขี้ริ้วขี้เรตัวดําอย่างไรเขาก็เป็นคนเขาไม่ได้ปกปิดอําพรางไม่ได้บรรจุไว้ในหีบหอไม่ได้ ขุดอยู่ในตุ่มในไหตัวเองสีมีตาสิเปล่าทำไมไม่ดูให้ดีน้อยเสร็จแล้วมานั่งว่าเอาว่าเอ า, เอาถามหน่อยเธอว่าผู้หญิงคนหนึ่งผิวดำมาแต่เกิดกับผู้ชายคนหนึ่งที่เห็นผู้หญิงผิวดำแล้วดูไม่รู้ว่าเขาผิวดำต่อเมื่อแต่งงานแล้วจึงรู้บางทีลูกสีแล้วจึงรู้ว่าเขาขี้เรระหว่างหญิงชายสองคนนี้ใครหน้าตาหนิมากกว่ากัน บางคนเข้าใจผิดจริงๆนั่งดูถูกเมียตัวเองจะให้คนทั้งหลายเห็นว่าตัวฉลาดพูดจาข่มขู่เมียตัวเองคําหนึ่งก็จะเอาซี่โครงเมียเน็บฝาสองคำก็จะเอากระดูกเมีมยทําไมจิ้มฟันเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าตัวมีอํานาจผิดไปละ่ะถามอีกนิดหนึ่งเถอะว่าถ้าฉลาดจริงทําไมเลือกคนพันนั้นมาเป็นเมียละ่ะแล้วถ้าเก่งจริงทําไมไม่ทําให้เขาเกรง โดยไม่ต้องขูล่ล่ะข้อสาไม่นอกใจรู้กันแล้วไม่ต้องพูดมากถึงพูดก็เหมือนไม่พูดไม่พูดก็เหมือนพูดพระพุทธองค์สอนว่าอย่านอกใจเมียหมายความว่าอย่างไรใครก็รู้เว้นแต่จะแกล้งทำเป็นไก่เป็นไม่รู้ก็จนใจแล้วคนที่จะอธิบายความหมายให้คุณผู้ชายฟังแจ่มแจ้งที่สุดก็คือที่บ้านของท่านเอง ขืนทำเป็นไม่รู้บ่อยๆระวังใบหูจะยาวข้อควรสังเกตในเรื่องนี้คือการไม่นอกใจภรรยานั้นพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเป็นหน้าที่ของสามีหมายความว่าเป็นข้อจำเป็นที่จะต้องระวังเพราะเป็นหน้าที่ไม่ใช่งานฝากหรืองานอดิเรกที่จะคิดว่าทำหรือไม่ทำก็ได้ข้อ4ยกความเป็นใหญ่ให้หมายความว่าให้เป็นใหญ่ในทางการบ้านการเรือน คือแบ่งกันใหญ่เราเป็นผัวใหญ่นอกบ้านเขาเป็นเมียให้ใหญ่ในบ้านให้มีอำนาจสิทธิ์คาที่จะสั่งงานตลอดจนว่ากล่าวตักเตือนผู้คนในบ้านการจัดการเลี้ยงดูการเก็บรักษาทรัพย์รวมทั้งการตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของบ้านเรือนด้วยผู้ชายบางคนพอเจอหน้าที่ข้อนี้เข้ามักจะตกใจกลัวว่าตนจะเสียอำนาจอธิปไตย สงสัยว่าตัวเองจะกลายเป็นเมืองขึ้นความจริงไม่ใช่การปกครองแบบนี้ก็คงเป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยตามที่ได้เสนอมาแล้วในตอนต้นเพียงแต่ว่าให้ภรรยามีส่วนรับผิดชอบในครอบครัวในฐานะเป็นแม่เจ้าเรือนเท่านั้นการคิดที่จะยึดอำนาจมาไว้ในกามือเสียคนเดียวสิเป็นการปกครองเมียแบบเมืองขึ้นแม่ได้แข็งเมืองขึ้นมามั่งจะต้องนอนเอามือก่หน้าผากข้อ5 ให้ของแต่งตัวเป็นความปรารถนาของสตรีเพศทุกคนที่อยากได้ของแต่งตัวเพราะผู้หญิงชอบความสวยงามชอบตกแต่งความรู้สึกที่ชอบสวยงามนี่แหละในวงการของหญิงด้วยกันจึงมีการประกวดประขันของแต่งตัวกันแล้วก็ถือว่าการได้ของแต่งตัวจากสามีเป็นการแสดงว่าผัวรักเริ่มตั้งแต่มั่นกันแล้วการมั่นก็มั่นด้วยของแต่งตัวเช่นแหวน ตุ้มหูกำไรมือหรือล็อกเก็ตแขวนคอสิ่งเหล่านี้สตรีเพศถือว่าเป็นการแสดงความรักจากผู้ชายแม้อยู่กินเป็นภรรยาสามีกันแล้วถ้าสามีหาของแต่งตัวให้ก็จะเป็นที่พอใจของภรรยาที่พอใจนั้นไม่ใช่โลภในของแต่ดีใจที่ผัวรักดีอะไรอย่างนี้ทุนหัวเอ๋ยเมื่อครั้งกระโน้นก็ซื้อลิปสติกสีเขียนคิ้วมาฝากน้องออกบ่อย เดี๋ยวนี้ไปไหนไปไหนก็ยังอุตส่าห์ซื้อดินสอพองน้ำอบไทยมาฝากทุนหัวของเมีย